2. ขันเหมือนภาพลวงตาเหมือนภาพในจอหนังวงเล็บเปิด 16. พฤศจิกายน2549นาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสวงเล็บปิดการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราชอบไปวาดภาพให้มันเกินจริงแค่เรามีสติเรารู้ทันการทำงานของกายของใจโดยเฉพาะของใจกายมันเคลื่อนไปได้เพราะว่าใจมันสั่งนั่นแหละพอรู้ทันเข้ามาถึงจิตถึงใจนะ ถึงต้นตอของมันระห ว, ว่างตัวต้นตอไปได้ก็สบายส่วนมากเราชอบไปแก้อาการแก้ปรากฏการณ์ซึ่งบังคับไม่ได้คล้ายๆเคยเห็นข้อฉายหนังกลางแปลงไหมเดี๋ยวนี้ยังมีบ้างไหมหนังตามงานวัดใครเคยเห็นไหมทําไมต้องหนังงานวัดเพราะมันเห็นเครื่องฉายมันมีเครื่องฉายตั้งอยู่จออยู่โน่นคนทั้งหลายนะ่ะไปหลงภาพในจอทวนเข้ามาไม่ถึงต้นตอของมันไปเห็นตัวนางเอกในหนังไปไล่คว้า คว้าเงานั่นแหละขันมันก็เหมือนภาพลวงตาขันนะจุด ๆ, ๆเหมือนภาพลวงตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราพบเราเห็นนั้นก็แค่ภาพลวงตาเหมือนภาพในจอหนังนั่นเองจริงๆเราบังคับมันไม่ได้งั้นเราจะไปไล่ตะครุบไล่จับไล่ควบคุมขันนะ่ะทำไม่ได้เหมือนไล่ตะครุบภาพในจอหนังทาไม่ได้ถ้าทวนกระแสเข้ามาถึงตัวต้นตอของมันคือจิตนั่นเอง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นปรุงออกไปจากจิตนั่นเองถ้าเราแค่เอามือปิดเครื่องฉายหนังซะไม่ให้ทำงานต่อภาพในจอทั้งหมดก็ว่างเปล่าตามสภาพเดิมของมันฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่นั่งแก้อาการทีละอาการการปฏิบัติถ้าจะให้ได้ผลรวบรัดนะเรียนรู้เข้ามาให้ถึงต้นตอของความปรุงแต่งถ้ารู้เข้ามาถึงต้นตอของความปรุงแต่งมันอยู่ที่จิตนั่นเองจิตมันปรุงแต่ง ถ้ารู้ถึงความปรุงแต่งจนความปรุงแต่งขาดไปนะไม่ต้องไปตามแก้อาการอีกแล้วคนทั้งหลายได้แต่แค่พยายามแก้อาการพยายามทําได้แค่นั้นเองเพราะสติปัญญาไม่แก่รอบไม่รู้ว่าวิธีจัดการกับความทุกข์ที่จะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนั้นคือทวนกระแสะเข้ามามาเรียนรู้ที่ต้นตอของมันจนเราเห็นเลยกระทั่งจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะคืนให้ธรรมชาติไปงั้นโยนเครื่องฉายหนังทิ้งไปด้วยใครก็เอามาฉายอีกไม่ได้แล้ว แต่สติปัญญาของคนในโลกมันทำได้แค่ตะครุบภาพในจอหนังเพอเอิญรูปภาพในจอมันยืนอยู่นิ่งๆบางทีมันยืนคุยกันนิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวไปจับไว้นึกว่าจับได้แล้วหยุดได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หนีไปอีกหนีอีกก็วิ่งไล่จับอีกโง่นะาศาสนาพุทธเราสอนให้เรียนย้อนเข้ามาหาต้นตอของมันต้นตอของความปรุงแต่งอยู่ที่จิตนี่เองวันหนึ่งรู้ทันต้น ต, นตอของมันนะ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 ตาหูจมูกลิ้นกายปิดอยู่หมดแรงปิดเมื่อไหร่นะเพลอหลุดมือเมื่อไหร่นะมันฉายออกไปอีกแล้วพวกพรมสำรวมจิตเข้ามาแต่ว่าจิตก็ยังปรุงแต่งอยู่คือหนังยังฉายอยู่แต่ว่ามันไปที่จอไม่ได้เท่านั้นเองรูปมันไปไม่ถึงจอการภาวนาเป็นขั้นเป็นตอนคนทั้งหลายมันไล่จับเงาไล่ในกามนั่นเองรู้สึกสนุกสนานอเอร็ดอร่อยสวยงามรูปในจอหนังสวยกว่าตัวเครื่องฉายหนังใช่ไหมแต่ไม่ใช่ของจริง ก็เป็นอย่างนั้นแหละสวยงามล่อลวงให้วิ่งไล่จับเหมือนๆจะได้แต่ไม่เคยได้ไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มหรอกสำรวมจิตสำรวมใจเข้ามานะไม่ออกไปภายนอกสงบอยู่ภายในอันนี้ก็ได้ความสงบได้ความสุขแก้ปัญหาได้ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนการทำสมถะถ้ามาเรียนรู้จนทำลายเครื่องฉายไปนะ่ะคือเราสามารถปล่อยวางขันห้าได้ ขันห้าตัวสุดท้ายที่จะวางคือจิตนั่นเองตราบใดที่ยังปล่อยวางจิตไม่ได้นะก็จะเกิดขันห้าใหม่ๆขึ้นมาอีกเพราะจิตดวงเดียวนี่แหละสร้างขันห้าขึ้นมาใหม่ได้ทั้งขันห้าเนะี่ยจิตดวงเดียวนี่แหละเหมือนเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวไปงอกเป็นต้นไม้ใหญ่ๆออกลูกออกหลานได้อีกเยอะแยะงั้นเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจวันหนึ่งทําลายเมล็ดพันธุ์คืออวิชชาลงไปทําลายเชื้อพันธุ์ของมันเป็นเมล็ดที่ไม่งอกอีกแล้วมันก็ยังทรงรูปของเมล็ดที่ไม่งอกไปอีกช่วงหนึ่ง ต่อไปก็แตกสลายหายไปการปฏิบัติมีความสุขอยู่ข้างหน้ามากมายเรามัวแต่ตะครุบเงานะอย่าหลงนะเสียเวลาไม่ฉลาดเลยความสุขที่เป็นภาพลวงตาพระพุทธเจ้าบอกขันมันเป็นภาพลวงตาเหมือนพยับแดดนะพยับแดดอย่างเราขับรถไปมองเห็นไกลๆเห็นเหมือนเป็นน้ำบ้างเห็นเหมือนไอ้น้ำเส้นยิบยับยิบยับเข้าใกล้ๆแล้วหายไปหมดเลยความสุขก็ร่เราอย่างนี้แหละให้วิ่งไปเพราเข้าไปใกล้ๆนะ ก็หายไปละไปอยู่ข้างหน้าอีกแล้วเราก็วนเวียนนะน่าสงสารมากถ้ายัางวนเวียนอยู่ก็ยังไม่รู้สึกน่าสงสารหรอกยังรู้สึกว่าบางครั้งก็อร่อยสนุกบางครั้งก็เศร้าโศกบางครั้งก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เวียนอยู่อย่างนั้นก็ยังพอทนรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างรู้สึกไม่ใช่เราทุกคนเดียวใครๆเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนๆกันหมดทั้งโลกนี่เพราะว่าไม่มีสติปัญญาที่จะพ้นไปจากวังวนของความปรุงแต่งอันนี้